สิขาบทที่5ว่าด้วยการใช้ของหอมเครื่องย้อมผิวเรื่องภิกษุณีฉัพคีหพรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเสฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีฉัพพกีสงสนารด้วยของหอมและเครื่องย้อมผิวคนทั้งหลายตำดิ ประนามโพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีทั้งหลายจึงสงสนารด้วยของหอมเครื่องย้อมผิวเหมือนหญิงเครือหัดผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตนําหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีชาวพคีจึงได้สงสนารด้วยของหอมและเครื่องย้อมผิวเล่าครั้นแล้ว